ภาคสองตอนที่สิบก้าตอนทรงสินสินลมเขาสายลมโชยใบไผ่ไหวตัวอยู่สู้ซาเช็กเช่นคลื่นที่ถาถมสู่ฝั่งบนเพดานห้องมีแมงมุมตัวหนึ่งกำลังชักใหญ่ คนใหญ่คล้ายเช่นแมงมุมทุกคนในโลกต่างกำลังชักใหญ่ของตนเองจากนั้นนำตัวเองเข้าใจกลางใหญ่ชั่วชีวิตนี้อย่าคิดหนีออกจากใหญ่ได้เลยเนื่องเพราะใหญ่นี้ตัวเราชักมันขึ้นมาเอง เจ้าสำนักเรียกสิทธ์มาพบด้วยเรื่องอันใดเล่าโอหยางสังลืมตาขึ้นชาาชาจากการนั่งเข้าชานปราบว่า1ิปปีมานีพวกเจ้าทนลำบากตรากตํำล่ำเลียงกระบวงยุดต่างๆจากท่านผู้เท่าประหลาดแห่งถ้ำบวัวแดงและท่านมังกรที่วาต่างเชี่ยวชาญกลยุทธ พร้อมจะนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วเวลานี้แผ่นดินเสี่ยมตีต้องการผู้มีสติปัญญาและวอรยุทธ์ลำเลิศไว้ช่วยงานในแคว้นต่างๆซึ่งเป็นโอกาสดีพวกเจ้าจะได้แสดงฝีมือให้ประจักษ์แก่คนตัวไปข้าจึงอยากให้พวกเจ้าลงเขาไป อ, องทักษิน พูดด้วยความตื่นตนกขึ้นมาว่าท่านเจ้าสํานักจะให้พวกเราลงเขาไปหรือช้าก่อนข้าขอทดสอบพวกเจ้าก่อนเพื่อตัดสินว่าจะให้ใครลงเขาก่อนเอาละ่ะข้าขอให้เราสิทธิ์ทุกท่านมาชุมนุมกันให้หมดภายในยามสองคืนนี้นะหอคํำพีข้าจะได้ทดสอบพวกเจ้าพร้อมกัน ผู้ใดสอบผ่านจึงจะได้ลงเขาไปได้คืนนั้นเหล่าสิทธิของสำนักไต้บุกผาต่างเร่งรถเข้ามาร่วมชุมนุมที่หอพระคำภีด้วยจิตที่มุ่งมัน่นและต่างหวังเต็มที่ว่าจะสามารถสอบผ่านได้ต่อไปนี้คือบททดสอบที่ข้าได้เตรียมการขึ้นเพื่อพวกเจ้าโดยเฉพาะการสอบเท่าที่ผ่านมา ขาได้สังเกตการฝึกฝนของพวกเจ้าอยู่เป็นระยะระยะบุคคลที่จะลงเขาได้จะต้องถึงพร้อมด้วยการอบรมที่ดี4ประการคือ 1. การอบรมทางร่างกาย p ฮซิคอนเอ็กซ์เซคือบทเรียนที่พวกเจ้าฝึกฝนให้สุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงจากการเดินลมปรานการล้ามวยจีนและการออกกำลังกายต่างๆ 2. การอบรมด้านมโนภาพ Aston Exercise คือบทเรียนที่พวกเจ้าฝึกฝนมา 3. การอบรมด้านปัญญา m e n t อน Exercise คือบทเรียนที่พวกเจ้าฝึกฝนจากฝนทั้งให้เป็นเข็ม 4. การอบรมวิญญาณให้บริสุทธิ์สเปริชเชียร์เอ คือการมีจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์อันเป็นผลจากการอบรมสามขั้นตอนแรกบุคคลที่ผ่านการทดสอบทางร่างกายนั้นกระแสพลังลมปราณต้องมีไอท่าบริสุทธิ์สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่เหลือหลังทางมโนภาพดันผลจากการใช้อำนาจทางกระสีเช่นการกำหนดความว่างสีขาว ความสว่างการนึกดวงแก้วองค์พระพนโนภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นพื้นฐานนำมาซึ่งใจที่หยุดใจที่นิ่งใจที่เป็นสมาธิทางปัญญ า, ปญญาเป็นการเกิดขึ้นจากการทำงานฝึกฝนอย่างหนักเช่นการฝึกสมาธิจนแน่วแน่แล้วเกิดภูมิปัญญาพิเศษหรือเกิดแรงดลใจให้ทำงานเฉพาะตัวแล้วเกิดความสาเร็จขึ้น เป็นต้นเรื่องนี้รวมงานทางโลกิยะและโลกุตละการเข้าถึงสภาวะธรรมต่างๆทา ง, ทางวิญญาณเป็นเรื่องหลักการที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างได้มีการกระทำด้วยศรัทธาทั้งนี้มิได้หมายถึงเป้าหมายในทางโลกุตละที่ปรารถนาเข้าสู่พระนิพานเท่านั้น อาจหมายถึงวิญญาณทางโลกิยะของการเป็นศิลปินจิตกรนักประดิษฐ์ที่มีใจมุ่งมั่นเกิดวความเชื่อที่จะสร้างสรร์า ง, งานประดิษฐ์ที่คิดค้นที่ตนเองมีความถนัดก็ได้การที่พวกเจ้าได้ฝึกฝนมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วสำหรับในคืนนี้จะทดสอบด้านปัญญาผู้ใดสอบผ่านก็จะลงเขาได้จากนั้น พันเจ้าสำนักไกรบุภาโอหยางส่างก็แจกข้อสอบ1ิบข้อให้แก่เหล่าศิษย์ทุกคนเพื่อทดสอบปัญญาโอหยางส่างกล่าวต่อว่าเพลงดาบนั้นเมื่อถึงขอบเขตหนึ่งก็ไม่ต้องฝึกด้วยร่างกายหากเช่นนั้นฝึกด้วยอะไรก็ฝึกด้วยความคิดใช้ความคิดค้นหาการเปลี่ยนแปลง ค้นหาจุดตอนของเพลงดาบค้นหาวิธีที่จะสามารถประสานกับตนเองขณะที่ร่างกายของคนผู้หนึ่งถูกเที่ยวกรรมทรมานแท<ส>รกฐานทะลุถึงวิญญาณความคิดความอ่านย่องหลักแหลมกว่าเดิมวันนี้เป็นวันที่พิเศษธรรมชาติสดใสแต่เราสิทธิ์ทั้งหลายต่างรู้สึกขดหูยิ่งหนัก เนื่องเพราะว่าเป็นวันสำคัญที่เจ้าสำนักจะประกาศผู้สอบผ่านทั้ง4ขั้นตอนและหมายถึงบุคคล น, นั้นจำต้องจากกันเพื่อลงเขาไปทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์หลังจากที่คลุกคลีร่วมทุกข์ร่วมสุขมาเป็นเวลา12ปีเต็มโอ้อยางสร้างกาวประกาศท่ามกลางเหล่าสิทธว่าสนหิม ะ, มะประเสริฐศักดิ์และบุ ป, ป, ปผ า, ผาทิพย์ เป็นผู้สอบผ่านแสดงถึงพื้นฐานทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์เพียงพอที่จะลงเขาไปได้ทั้งสามมีไอท่าที่สมบูรณ์อันเป็นบ่อเกิดพลังชีวิตที่ใช้งานได้ดีมีความเฉียบแหลมทางความคิดประโยชน์ของการฝึกอบรมที่ผ่านมาจึงใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมในขณะที่ยังไม่พร้อมที่จะทำพระนิพพานให้แจ้ง ก็ยังสามารถฝึกอมรมเพื่อสร้างพื้นฐานบารมีเพื่อเป็นประโยชน์ในงานอาชีพที่ปฏิบัติอยู่เมื่ออายุไขพ้นจากเวลาของการประกอบอาชีพจะสามารถเข้าสู่การปฏิบัติธรรมได้อย่างมีพื้นฐานที่มั่นคงและบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เจ้าทั้งสามจะต้องลงเขา เพื่อทำตนเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อครอบครัวต่อสังคมและต่อประเทศชาติและประโยชน์อย่างยิ่งต่อพระนิพพานพวกเจ้าจงเตรียมการเลี้ยงส่งเพื่ออาลาไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่เลิกลานกน้อยยังสร้างรังของตนเองได้พวกเจ้าร่ำเรียนมามากย่อมสมควรต้องออกไปเป็นพญานก เพื่อเป็นที่พึ่งของลูกนกอื่นๆมันเป็นวงล้อแห่งงานของท่าทัธรรมสิทธ์ทั้งหลายจงฟังข้าทุกขั้นตอนบนหนทางการบำเพ็ญการแสดงคุณการให้ทานการทำความเพียรและการถือสันโดษจะต้องสอดคล้องสมานกันไปให้ใช้คุณาก่อน ความสามารถในการปฏิบัติอันเป็นศักดานุภาพไปบุกเบิกเผยแพรรทำทั่วทุกทิศนี้เป็นการปฏิบัติธรรมที่เป็นรูปหลักให้ใช้คุณธรรมบารมีอันเป็นอริยภาพภายในคือเนยซ่งเท่ากับสมถะวิปัสนามายกระดับจิตใจนี้คือการปฏิบัติธรรมที่ไม่เห็นรูปหลัก ทำเช่นนี้พร้อมกันไปจึงจะได้รับความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมสิททั้งสามเจ้าจงจำใส่ใจว่าไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่เท่าเทียมไม่มีผู้ใดซับซ้อนยิ่งกว่าไม่มีผู้ใดรู้สึงถึงความเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าสรรพสิ่งในล่าเกินกว่าธรรมชาติ ความเปลียปล่ยนแปลงขอ ง, ของธรรมชาติคือปรมาจารย์อันประเสริฐสุดเจ้าปฏิบัติมาถึงแก่นจงทำให้ถึงที่ถึงที่สุดคือคือนสู่สามัญเจ้าจงจำให้ดีจงทำให้ถึงที่สูงสุดคือคือนสู่สามัญดวงอาทิตย์ลอยขึ้นยิ่งลอยยิ่งสูง เงาของโขดหินที่ทอท่าพื้นกลับยิ่งหดสั้นลงหากไม่มีแสงอาทิตย์ก็ไม่มีเงาสะท้อนแปลกประหลาดยิ่งหนักขณะที่ดวงอาทิตย์ลอยอยู่กลางกลางสีสระเงาสะท้อนกลับอันตรธานหายไปและนี่คือสัจธรรมและคำสอนที่เจ้าสำนักไตบุผามอบแก่สนหิมะ ประเสริศักด์และบุพาทิพย์ิทธิผู้สอบผ่านทั้งสามและจากไปเพื่อทำหน้าที่ของตนต่อไปในตอนต่อไปจะเป็นมังกรยกภาคสามในนามตียิงตึงเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรโปดติดตามมังกรยกภาคสามในตอนต่อไป ฮันลีคำจนด้วยบุญสัมพันธ์ฝ่าฟันอีค้อมกันแพ่าทางทางสุจีท า, ทาน้ำทาาเราชมสำนึกจริงใจตอบแทนก็เกิดปัญญาพลังกลูหางใครท้อจริงใจอุมชูต่างเดินก้าวไปพบกัน